ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ยี่สิบสองตอนแรกก็ว่า จ, จะพูดเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องเก่าพอดีเมาาื่อเช้านี้คุณสติสุขมาก็เลยตารบไปเรื่องเกี่ยวกันในครอบครัวแล้วมันโยงไปหาเรื่องาศาสนาพราหมณ์ก็เลย อยากจะพูดอะไรอีกสักนิดหนึ่งนะคือว่าเรื่องพุทธศาสนานี่ฝรั่งเวลามาทำความรู้จักกับพุทธศาสนาเนี่ยเขามักจะไปพูดว่าพุทธศาสนาเนี่ยเอาแต่เรื่องบุคคลเอาแต่เรื่องจิตใจนะไม่ค่อยจะสนใจเรื่องสังคม ฝรั่งพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าฝรั่งเนี่ยมาสัมผัสกับคำสอนที่ออกไปทางตะวันตกซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเน้นด้านจิตใจเรื่องสมาธิเงี้ยอันนั้นเขาก็เห็นแต่ในแง่นั้นความจริงพุทธศาสนามีคําสอนที่ครอบคลุมด้านสังคมนี้ก็เป็นเรื่องที่พุทธศาสนาให้ความสําคัญมากแต่ว่าฝรั่ง ไปเจอแต่พุทธศาสนาที่เข้าไปในด้านที่ว่าไปสัมพันธ์กับสภาพสังคมตะวันตกที่มีปัญหาทางจิตใจมานานแล้วไปสนองความต้องการด้านนั้นในผู้ที่ไปนําเสนอเพื่อสนองความต้องการของเขาก็เลยเอาแต่คำสอนด้านนั้นไปฝรั่งมาเจอพุทธศาสนาก็นึกว่าอ้อเหมือนอย่างที่เขาได้เห็นได้พบมีผู้เข้าไปสอนอย่างนั้นก็เลย ไปสรุปเอาว่าพุทธศาสนาแค่นั้นนะนี่ว่าถึงเรื่องของด้านสังคมนี่เราก็ดูได้จากสภาพแวดล้อมสมัยพุทธกาลด้วยนีว่าคนอินเดียในแง่ของสังคมก็คือการที่มีความเชื่อถือเรื่องเทพเจ้าอย่างที่เราพูดกันไปแล้วแล้วก็ มีความสัมพันธ์กับเทพเจ้าในแบบที่ว่าต้องการความช่วยเหลือให้เทพเจ้ามาใช้อำนาจดนบันดาลเนี่ยมาทําให้เกิดผลที่ต้องการหรือมาช่วยพ้นภัยอันตรายก็เป็นสภาพสังคมที่ปรากฏขึ้นทั่วไปแล้วก็เกิดมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการอ้อนวอนจนกระทั่งที่ชัดเจนก็คือพิธีบูชายัน อันนี้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดในเรื่องนี้ก็คือว่าแทนที่จะให้มนุษย์นั้นไปสัมผั์กับเรื่องเทพเจ้าไปหวังให้อำนาจโดนบันดาลที่เล่นลับมองไม่เห็นอยู่ภายนอกมาช่วยบันดาลให้ด้านหนึ่งก็คือว่าให้มาดูเรื่อง การกระทําของตัวเองนะซึ่งก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของกฎธรรมชาติว่าผลต้องเกิดจากเหตุทีนี้เมื่อเราต้องการผลก็ต้องทําให้เหตุเกิดขึ้นทีนี้เมื่อเหตุมันยังไม่มีเราก็ต้องทําเอาเพราะฉะนั้นก็สอนเรื่องหลักกรรมก็เน้นมาที่ตัวบุคคลใ น, นด้านหนึ่งนะ แต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ว่ามาสนใ จ, จเฉพาะว่าออกจากความสัมพันธ์กับเทพเจ้าแล้วก็มาดูที่ตัวเองจะต้องทําอะไรแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าการที่มนุษย์ไปสนใจอ้ อ, อนวอนเทพเจ้าคอยพึ่งอํานาจโดนบรรดา น, นั้นนอกจากมองไปนอกตัวเองไปพึ่งอํานาจโดนบันดานช่วยเหลือจากภายนอกแล้วไม่มองดูตัวว่าต้องทําอะไรแล้วก็ยัง มีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เนี่ยจะมองควา ม, วามสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองออกไปมองหาความช่วยเหลือจากอำนาจนอกหรือธรรมชาติก็มองข้าผู้คนที่เกี่ยวข้องไปคือจุดสัมพันธ์เขาไม่ได้อยู่ที่คนด้วยกันเขาไปอยู่ที่กเทวดาเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาก็นึกว่าเ อ, อเราต้องไปหาเทพเจ้าองค์ไหน นีถ้ามนุษย์เนี่ยไม่ได้นึกถึงเทพเจ้าเนี่ยมันก็หนึ่งต้องนึกถึงตัวเองว่าเราจะต้องทำอะไรสองเนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มันอาจจะไปสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เราอาจจะต้องแสวงหาความร่วมมือหรือเป็นปัญหาใหญ่ที่มนุษย์เนี่ยจะต้องมาช่วยกันเนเราคนเดียวกำลังไม่พอแทนที่จะไปหวังพึ่งเทพเจ้ามันก็มามองดูมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ ก็จะทมให้เกิดการแสวงหาความร่วมมือจะเพื่อนมนุษย์การร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชนเป็นต้นก็เกิดขึ้นนมันก็ทำให้เกิดความสัมพันธ์ในชุมชนนั้นและการร่วมกันแก้ปัญหาก็พัฒนาสังคมหรือชุมชนนั้นให้เดินหน้าไปได้นี่ถ้าหากว่าไปมัวสนใจกรเทปเจ้าแล้วแก่ไม่เอาใจใส่แล้วเพื่อนมนุษย์เป็นยังไงใช่ ควาสนใจแก่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือในทางลบก็คือภัยอันตรายของตัวเองทําไงฉันจะพ้นภัยอมองไปหาเทพเจ้าทําไงฉันจะได้ผลประโยชน์มองไปหาเทพบเจ้าอเสร็จแล้วเมื่อมองไปหาเทพบเจ้ามันก็ทําให้มันเน้นจุดที่ว่าผลประโยชน์ของตัวเองต่อไปก็คิดถึงแต่เรื่องตัวเองแล้วก็อํานาจที่จะมาช่วยเลยไม่ได้เอาใจใส่เพื่อนมนุ่นเด็กกันนี่ เราพูดกันไปแล้วในแง่ที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ดึงคนมาจากเทพมาสู่ธรรมให้มาสู่การมองความจริงตามกฎธรรมชาติเรื่องของเหตุปัจจัยการทำเหตุได้เกิดผลด้วยการกระทำกองตัวเองทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าก็ให้สนใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาที่เรื่องเดียวกันของพ ร, ราหมณ์จากการดึงจากเทพมาสู่ธรรมะ ด้านหนึ่งก็มาสนใจการกระทำของตัวเองสิ่งที่ตัวเองต้องทํารับผิดชอบต่อการกระทำของตนอีกของตนเองอีกด้านหนึ่งก็คือการที่มาสนใจที่จะมาร่วมมือกันในหมู่มนุษย์ว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้สนใจเริ่มต้นในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์เริ่มต้นคือครอบครัวจะเห็นว่าหลักธรรมในพุทธศาสนา น, นี้ให้ความสําคัญเรื่องครอบครัวมาก เริ่มต้นก็คือพ่อแม่ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่ถ้ามองกว้างก็อย่างในทิศหกใช่ไหมแทนที่จะไปไหว้ทิศพระพุทธเจ้าก็บอกอา้าวก็มาดูว่าทิศก็คือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสถานะต่างกันในสังคมเนี่ยนะแล้วเราก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อคนเหล่านั้นให้ถูกต้องนะเรียกว่าไหว้ทิศเริ่มตั้งแต่พ่อแม่พ่อแม่ก็มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วพร้อมก็ไหว้พ่อแม่ ก็คือต้องมีว่าแล้วพ่อแม่ทาหน้าที่ต่อลูกอย่างไรใช่ไหมมันก็เท่ากับบอกด้วยว่าเออเป็นพ่อแม่ก็ต้องมีหน้าที่อย่างนี้อันนี้อย่างที่เคยพูดไปแล้วอย่างหลักที่สอนว่าพรมาติมาตาปิตรโรมารดาปิดาเป็นพรหมของลูกพระสูตรนี้จะมีบ่อยหลือเกินมาในพระไตรปิฎกมาแล้วมาอีกี่ก็ตรัดว่าพ่อแม่นี้เป็นพรหมของลูก เป็นบุรพาจาย์อาจารย์คนแรกแล้วก็เป็นอาหุนายบุคคลเป็นผู้ที่ควรแก่ของคํานับที่จริงเป็นภาษาของพราหมณเขาเป็นผู้คุนกับเครื่องเส้นเดยว่าเดิมนั้นเขาไว้เส้นเทวดาพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพ่อแม่เนี่เป็นผู้คุน ร, รับเครื่องเส้นของลูกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาเรียกพ่อแม่ในสามสถานะแล้วก็ตรัสบอกว่าใน บ้านเรือนครอบครัวใดพ่อแม่ได้รับการบูชาบ้านนั้นครอบครัวนั้นก็ชื่อว่ามีพรมอยู่ในบ้านนะแล้วก็ครอบครัวใดบ้านใดบูชาพ่อแมนะ่ก็ชื่อว่ามีบูรพาจารย์อยู่ในบ้านนะแล้วก็บ้านใดบูชาก็คือว่าเคารพยกย่องนะพ่อแม่ ก็ชื่อว่ามีอาหุนยบุคคลอยู่ในบ้านอันนี้ก็อาหุนยบุคคลก็ผว้คน ร, รับเครื่องเส้นก็พวกเทวดานะก็มีเทวดาอยู่ในบ้านเสร็จแล้วถ้าเป็นทางพุทธศาสนาอาหุนยบุคคลก็หมายถึงพระาราหันก็ได้ก็ให้ให้ความสำคัญกับเรื่องพ่อแม่มากราว่าบางทีสมัยนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่า คนนี้จะไปสนใจเทวดาจะไม่มัวคิดถึงจะไปเส้นเทวดายัางไจงจนกระทั่งไม่ได้ดูไอ้คนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดเป็นยังไงใช่ไหมพ่อแม่จะเป็นยังไงลูกเต้าจะเป็นยังไงไม่เอาใจใส่เพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดึงมาเนี่ยก็จากฐานความเชื่อของเขาเลยจุดที่สอนหลักที่สอนก็จะไปตั้งต้นมาจากเรื่องของสิ่งที่เขาเคารพนับถือเดิมก็คือเรื่องพระพรหมเรื่องเทวดา แต่ว่าโยงมาหาเรื่องของมนุษย์ด้วยกันว่าเออแทนที่จะไปสนใจเทวดาไปเอาใจใส่เทวดาอย่างนั้นก็มาเอาใจใส่เพื่อนมนุษย์ด้วยกนันการที่เรามาสนใจเพื่อนมนุษย์นี่แหละมันจะทำให้เกิดสังคมที่ดีงามและการที่มนุษย์ไดพัฒนาตัวเองไม่เห็นแก่ตัวมีความเอาใจใส่มีเมตตากรุณาการช่วยเหลือกันเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือที่ดีกว่าไปรอเทวดามาช่วยอีกนะถ้ามนุษย์ ในสังคมนี้มาตั้งใจมาช่วยเหลือกันเองเนี่ยลองคิดดูสิแก้ปัญหาดีก็ไปรอเทวดามาแก่อีกนะนแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเมื่อมนุษย์ช่วยเหลือกันดีแล้วนคนก็จะไม่อ้างวางวาเองคนจานวนไม่น้อยที่ต้องไปหาที่พึ่งความช่วยเหลือจากภายนอกเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีที่พึ่งในสังคม ไม่มีผู้ช่วยเหลืออับจนก็เลยแค่ว่าอย่างน้อยก็ช่วยในทางจิตใจไปหาสิ่งลึกลับศิยศาสตร์อะไรแต่ไรใช่ไหมมนุษย์พวกนี้ก็ถูกบีบให้ต้องไปหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่พึ่งเช่นพวกเทวดาสิ่งลึกลับต่างดฉะนั้นถ้ามนุษย์ช่วยเหลือกันได้ดีหนึ่งก็จะช่วยเหลือกันได้ผลดีมากด้วยสังคมก็อยู่ร่วมเย็นเป็นสุขมันเป็นการช่วยเหลือที่แท้จริงแเป็นของจริงที่ปรากฏชัด เป็นไปตามเหตุตามผลแล้วก็จะทําให้คนในสังคมนั้นไม่ต้องอ้างวางไม่ต้องไปเที่แสวงหาที่พึ่งภายนอกดังนั้นพระพุทธเจ้าก็มาเน้นเรื่องนี้นะแล้วก็อย่างที่เคยพูดแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้เป็นลบหลู่ดูหมิ่นพวกเทวดาอะไรใช่ไหมเพียงแต่ว่าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีเมตตาต่อเทวดา แล้วก็ทำบุญก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้ท่านนะก็ไม่ได้ปฏิเสธและไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าให้มีความสัมปันที่ถูกต้องอย่าโมไปหวังเพิ่งอยู่แล้วก็ถือว่าเทวดาที่ดีมีคุณธรรมก็ด้วยคุณธรรมนั้นก็ควรจะมาช่วยเหลือมนุษย์เองโดยไม่ต้องไปรอให้เขาไปเส้นไหวนะไม่ต้องไปรอให้ไปอ่อนวอน อย่างที่เคยพูดไปแล้วถ้าไปรู้อ้อนวอนมันก็กลายเป็นว่าอะคนอ้อนวอนก็ช่วยไม่อ้อนวอนก็มาช่วยไม่คํานึงถึงความดีความชั่วแทนที่ว่าคนดีเนี่ยมีความเดือดร้อนคนจะช่วยเหลือก็ไม่ช่วยไปรอครึ่งเส้นคนที่ทําความชั่วมาเส้นไหวก็ไปช่วยอย่างนี้มันก็วิประารถหมดในเรื่องของหลักของจริยธรรมหรือศินธรรมอันนั้นก็ ความสัมพันธ์กัน ว, ว่ามนุษย์กับเทวดาก็จะเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์แม้แต่ในมนุษย์เองว่ามนุษย์สัมพันธ์กับเทวดาโดยที่มีความปรารถนาดีมีเมตตาต่อกันและก็ให้เกียรติกันและกั น, นมีการอุทิศกุศลอะไรต่างๆแบบนี้ก็เลยเล่าอย่างเมื่อเช้านี่ว่าแม้แต่พวกเทวดาอย่างพระอินทเทวดาชันดาวดึง ก็จะมีการประชุมกันในเทวสภาในวันอุโบสถในวันสิบห้าคำแล้วก็ในระหว่างนั้นพวกเทวดาชั้นจตุมหาราชซึ่งเป็นพวกชั้นที่บริวารของเทวดาชั้นดาวดึงก็จะไปสำรวจดูว่าคนประพฤติดีกันอยู่ในศีลในธรรมไหมนะ แล้วก็มารายงานตัดเศวสภาอะไรอย่างงี้นีนี่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องข้อการที่ให้หันมาเอาใจใส่เรื่องความดีความชั่วไม่ใช่ไปเอาใจใส่เครื่องเส้นนี่คือการอ้อนบอลแล้วก็ถ้ามนุษย์ทำความดีก็อย่างที่ว่าแล้วเทวดาที่มีความดีก็จะมาช่วยโดยไม่ต้องไปขอร้องเหมือนอย่างเรื่องนางมณีเมขลาในมหาชนก น, นีเรียกว่าอย่างเรื่องพระอินท์ พระอินทตามหลักพุทธศาสนาก็จะมีที่ว่าเวลามนุษย์ที่มีความดีเดือดร้อนนี่อาจพระอินทจะกระด้างดังศิลาประหลัดใจใช่ไหมนะพระอินทก็จะเอออะไรกันเนี่ยเกิดเหตุอะไรขึ้นก็สอดส่องทิพระเนตรดูเหตุภัยก็แจ้งใจในนางรจนาหรืออะไรก็ว่าไปนะก็จะก็ต้องมาช่วยนี่ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยความดีซึ่งบางที แม้แต่อ่านวรรณคดีก็ไม่ได้แยกว่าเนี่ยแนวพุทธกับแนวครามต่างกันอย่างไรใช่ไหมแนวพุทธไม่ได้ไปอ้อนบอนไปขอมนุษย์ทําดีทําตามหน้าที่ของตัวเองเทวดาเมื่อเห็นคุณค่าความดีของมนุษย์จะช่วยมาช่วยด้คุณธรรมของตัวเองแล้วมนุษย์จะได้มาเอาใจใส่ในหมู่มนุษย์ด้วยกันเองมาแก้ปัญหาสังคมมันก็จะอยู่ได้ดีไม่วิบัติวิบัติคลาดเคลื่อนไปนั่นก็เอาใจใส่กันตั้งแต่ในครอบครัวนี่ก็จะ เล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเป็นตัวอย่างในพระสูตรให้เห็นเรื่องของสภาพภูมิหลังของสังคมอินเดียนะแล้วก็มาดูว่าจากภูมิหลังนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้สอนให้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของข้อปฏิบัติในทางสังคมนี้ด้วยก็บอกแล้วว่าในเมื่อสังคมอินเดียเขานับถือเทวดามีความสัมพันธ์แบบว่าเส้นสวงอ้อนวอนขอความช่วยเหลือมันมีพิธีบูชายันเกิดขึ้น ก็จะเล่าเรื่องการบูชายัญอีกสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่เพรเชรชัยตะวันที่เมืองสาวัตถีคราวนั้นก็มีพรามคนหนึ่งก็คงเป็นพรามผู้ใหญ่พอสมควรแหละก็จะประกอบพิธีบูชายันนะชื่ออุคตะสรีระพรามก็ให้จับเอาโคผู้500รลูกโคผู้ห0 0ร้อยโคเมียห้าร้อย ลูกขอภัยลูกโคมีห้0ร้ยโคมีห้0ร้ยไม่มีนะพยาสังเกตดูนะโคผู้ห้ารอลูกโคผู้500ร้อลูกโคมีห้0ร้ยโคมียไม่มีแสดงว่าโคมีสําคัญเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดอาชีพเดี๋ยวจะไม่มีกินแล้วกินนมวัวนี่แขกมงอิเดียเนี่ยนะเน่แสดงว่าเว้นเนี่ยโคเมียก็โคผู้500ยลูกโคผู้500้อยลูกโคมีห้าร้อย แล้วก็แพ้ห0 0ยแก่ห้ารให้จับมาผูกหลักไว้เสร็จแล้วก็นึกยังไงไม่รู้นะแกไปฝ้าพระพุทธเจ้านะก็คงยังได้ยินกิตติศัพท์พระพุทธเจ้าเป็นที่นับถือแม้แต่ของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าประสเสนาธิโกศน น, ะนี่แกก็ทราบพระพุทธเจ้านี่รู้เรื่องพรามเรื่องไรพระองค์ก็ทราบ อันนี้พระองค์เคยจัดเรื่องยันด้วยนะหายันอัศวเมษเลยตั้งแต่นีนี่ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ขอแทรกนิดหนึ่งว่าพระพุทธเจ้านี่ออกบวชจากวันนักษัตริย์อันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็ว่าเป็นคนตระกูลสูงเ พ, พ, พราะพวกพราหมณ์นี่ปกติเขาต้องดูถูกใช่ไหมนะเนี่ยเถือว่าเขาเกิดตระกูลสูงถ้าเป็นวันนัต่ำนี่พระพุทธเจ้าประกาศาศาสนายาก นี่พระพุทธเจ้าอยู่ในตระกูลสูงนี่นะพระองค์ก็มีความรู้รู้เรื่องพราหมณ์รู้เรื่องอะไรจะอะไรหมดนะเะนั้นพราหมณแกก็ยอมรับเรื่องสถานะของพระพุทธเจ้าก็ไปเฝ้าก็ไปเฝ้าทักทายปราศัยกันแล้วอุคตะสรีล์พราหมณ์ก็ทูลบอกนะข้าพเจ้าได้สดับมาว่าการก่อไฟบูชายัน์ และการยกเสาบูชายันขึ้นตั้งเนี่ยมีผลไม่อานิสง์มากนะคือพราหมณ์ก็ถือเป็นเรื่องสําคัญการบูชายันก็ต้องมีก่อไฟหนึ่งแล้วก็ต้องมียกเสาบูชายันขึ้นสําหรับผูกไอ้พวกสัตว์ที่จะฆ่าอะไรพวกนี้เสาบูชายันนี่สำคัญพอทําขึ้นมาก็ถือว่าเป็นส่วนสาคัญของการบูชายันนี่มีอานิสง์มากพระพุทธเจ้าก็บอก เราก็ได้ฟังมาว่าก <ao S 1> ารก่อไฟบูชาหยันตและการยกเสาบูชาหยันขึ้นตั้งนมีอานิสงส์มากกว่างั้นนะพรามก็เอาข้าพเจ้าได้สดับมาว่าการก่อไฟบูชาหยันและการยกเสาบูชาหยันขึ้นตั้งมีผลมีอานิสงส์มากพระธเจ้าก็ตรัสว่าเราก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าการก่อไฟบูชายันยกเสาบูชาหยันขึ้นตั้งมีผลมากมีอานิสงส์มากเออเอาไปละ พระเจ้าก็ตรัสอยู่แค่เท่ากันพราม์ก็เอาอีกเราได้สดับมาว่าการก่อไฟบูชายันยกสาบูชายันขึ้นตั้งมีผลมีอานิสง์มากพระเจ้าก็ครั้งที่สมอีกเราก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าการก่อไฟบูชายันยกสาบูชายันขึ้นตั้งมีผลมีอนิสงมากสามครั้งแล้วนะพระนนท์แทรกเลยตอนนี้พระนนอยู่ไกลๆบอกพราม์ท่านจะถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้สิ ท่านควรจะถามบอกว่าข้าพเจ้ากําลังก่อไฟบูชายันยกเสาบูชายันตขึ้นตั้งท่านมีอะไรแนะนําข้าพเจ้าบ้างว่างั้นท่านบนจะว่าอย่างนี้น ะ, <c oughs> ะก็ท่านไม่ให้ใครๆว่าพระอนุนอาจจะบอกว่าท่านไม่ได้ให้โอกาสว่าอยากจะฟังพุทธเจ้าใช่ไหมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรมีข้อแนะนําอย่างไรใครๆว่าพราม์ก็ ย่อถือตัวว่าฉันนี่แน่ใช่ไหมรู้จงบูชายันใครจะมาสอนใช่ไหมทีนี้ทําไมาให้โอกาสพระพุทธเจ้าก็ให้เกียรติว่าท่านเป็นพรามขณะพระพุทธเจ้าก็ขเขาพูดมาว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เออเราก็ได้สดับมาเหมือนกันว่ากันอนใะ น, นพานนบอกว่าท่านต้องควรจะพูดอย่างนี้สิว่าข้าพเจ้ากําลังจะก่อไฟบูชายันยกสาบูชายันขึ้นตั้งแล้วท่านจะมีอะไรแนะนำข้าพเจ้าบา้างล่ะว่ากันนี่ย อา้าวพรามก็เลยเอาตามพระนนท์นะพราะกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัดแหละทีนี้พระพุทธเจ้าก็จัสบอกว่าคนที่ก่อไฟบูชายันยกเสาบูชายันขึ้นตั้งนั้นเขาก็ยกศาสตราขึ้นเงื้อสามสัตราแล้วว่างั้นเอาละพระพุทธเจ้าว่าว่าอะไรบ้างล่ะก็ยกสัตราขึ้นเงื้อสาม สัตตาสาสัตรามีอะไรบ้างหนึ่งสัตราทางใจสองสัตราทางวาจาสามสัตราทางกายนะสัตรานี่คืออะไรครับนะฮะมีดไงแปลว่าสมมติไม่ที่จะใช้ค่างใช่ไหมแล้วก็ตรัสบอกว่าอา้าวที่ว่ายกมีดหรือสัตราทางใจขึ้นเงื้อแล้วมีอะไรก็คือว่า ก็คิดแล้วว่าเราจะต้องฆ่าวัวเท่านี้ฆ่าแพะเท่านี้ฆ่าแกะเท่านี้นะีตั้งใจแล้วพอตั้งใจมันก็เป็นบาปแล้วเป็นอกุศลแล้วตัวบอกว่าจะทํากุศลจะได้บุญนี่มันได้อกุศลเท่านั้นมันบอกว่าจะได้สุขนี่มันทุกเกิดขึ้นแล้วนี่นะี่ยอ่าวละหนึ่งแล้วนะฮสองก็ยกศัตระทางวาจาขึ้นเนื้อสัตระทางวาจาคืออะไรก็ท่านก็ต้องพูดพอ ก่อไฟบูชายันยกเสาบูชายันขึ้นตั้งก็ต้องออกวาจาคําสั่งและนะว่าเจ้าจงไปเอาสัตว์นั้นฆ่าจงฆ่าสัตว์นี้เถนีเถ น, น, นีใช่ไหมสั่งให้พวกลูกน้องที่บูชายันนี่เงื่อศาสตราทางวาจาคือแล้วนี่บอกว่าจะทํากุศลนี่มันทําอกุศลแล้วจะทาสร้างความสุขนี่มันสร้างทุกชัชัดว่างั้นนะฮะและสาม เงื้อศาสตราทางกายคืออะไรก็คือท่านต้องลงมือผู้ที่ประกอบพิธีบูชายัญเขาคงบัญญัติว่าต้องลงมือเองก่อนใช่ไหมแล้วคนอื่นก็ทาท่านก็ต้องลงมือฆ่าสัตว์เลยฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าโคอันนั้นก็ทั้งเนี่ยมันก็ทาบอกว่าจะทำกุศลก็ทำอกุศลชัดๆแล้วก็จะ สร้างความสุขก็มีแต่ความทุกข์ขึ้นมาเลยนี่แหละเอาแล้วพระเจ้าว่าแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วพระเจ้าก็บอกว่าทีนี้เขาพูดถึงไฟบูชายันการบูชายันมันสำคัญที่ไฟพระเจ้าบอกว่าไฟนั้นมันมีสามกองเหนกันทีนี้ถ้าไฟสามกองมันอยู่ในใจเนี่ยมันก็มีแต่ผลเป็นทุกข์ มันจะไปได้ผลดียังไงจะไปเกิดสวรรค์ไยังไงมันต้องไปนรกสิว่าไงนะฮะแล้วก็ก่อความเดือดร้อนมีแต่ความทุจริตมีอะไรบ้างหนึ่งไฟราคะสองไฟโทสะสมไฟโมหะนี่พระพธเจ้าตรัสแหละไนฟะเอาเรื่องไฟก็มาพูดแหละบอกว่ ก, ก่อไฟมันก่อไฟราคะโทสะโมหะมันต้องการผลประโยชน์นีนไฟราคะอยากจะได้ผลประโยชน์เพื่อตัวเองโทสะมันต้องฆ่าสัตว์เป็นตน้นโมหะมันหลงไม่รู้เรื่อง นี่ได้ไฟราคาโทสะโมหะนี่มันก็เป็นเหตุให้ประกอบการทุจริตไนะม่ได้ประกอบการสุจริตต่อไปทีนี้ไฟของพรามณ์เขามีสมชนิดที่เป็นไฟสัลบาบุชายันหนึ่งเขาเรียกว่าคารหปัตยคณีเนี่ยเป็นศัพท์สันสกฤตคารหะปัตยักค ณ, นะ ณ, ณีนี่ที่เป็นภาษาบาลีว่าข้าปตักคิ ข้าประทักขีก็แปลว่าไฟข้ารืหาบดีไฟข้ารืหาบดีก็หมายถึงไฟเจ้าบ้านของพราหมณ์เขาถือกันว่าในตระกูลในครอบครัวเนี่ยจะต้องมีไฟประจําบ้านไปเลยเจ้าบ้านจะต้องรับผิดชอบจะต้องจุดไฟนี้เลี้ยงไฟนี้ไม่ให้ดับมาแล้วก็จากพ่อก็ส่งต่อให้ลูกลูกก็จะต้องเก็บรักษาไว้พระตัวเองสืบตระกูล แล้วพอถึงลูกของตัวเองบ้างก็ส่งต่อให้ลกูกโอ้โหนี่เขาสําคัญมากไฟเนี่ยต้องเก็บรักษาไว้บูชาตลอดแล้วไฟที่สองเรียกว่าอาหวณียัคคณีตอนนี้จะบูชาหยันและก็ต้องต่อไฟจากไฟที่หนึ่งคารหปฏายัคคณีที่จุดประจําบ้านเนี่ยก็ต่อไฟอันนี้ไปเป็นไฟรับเครื่องเส้นนี่คือไฟบูชาหยันอันที่สองเรียกว่าอาหวณียัคคณี ก็เอาไปทีนี้พิธีบูชายันใหญ่ๆก็ต้องโอ้โหต้องจัดที่บริเวณกว้างขวางอย่างที่ว่าผูกสัตว์ตั้งกี่ร้อยเราเมื่อกี้ลองคิดดูวัวผูห้าร้อยลูกวัวผูห้าร้อยลูกวัวมีห้าร้อยแพห้าร้อแกะห้ารอยกี่ตัวแล้วนะฮะสองพันห้าร้อตัวลองคิดดูสิต้องใช้บริเวณเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วยังไอ้พวกที่เครื่องตกแต่งอะไรต่างๆบริเวณอีกเยอะแยะเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ต้องไป จุดไฟบูชายัน์กองใหญ่เขาก็เอาไฟที่จุดจากไฟประจำบ้านเนี่ยเป็นไฟเครื่องรับเครื่องเส้นไปแล้วไปจุดเป็นกองที่กองสําคัญอยู่ที่ทิศใต้กองที่ทิศใต้เนี่ถือเป็นกองสําคัญเรียกว่าทักษินาคณีทักษินแปลว่าใต้คือด้านขวาคําว่าใต้ของแขกเนี่ยคือทักษินแปลว่าขวาฮะ เ, เวลาเขา เทียบทิศเนี่ยเหันหน้าไปทิศตะนออกใช่ไหมมือขวาก็ออกไปทิศใต้ใช่ไหมอันนี้แขกนี่เขานับถือมือขวาขวานี่สําคัญแสดงความเคารพทำประทักสินเคยได้ยินใช่มหมทำประทักษิณ น, น, นี่คือเอาขวาให้หมายขวามวาเคารพขวานี่สําคัญเดีนี้ขวานี่ก็อยู่ทิศใต้ก็เอาไฟเนี่ยไฟบูชายันสําคัญนี่เป็นกอกองสําคัญไว้ทิศใต้ เรียกว่าทั ก, กษณิณคกณีส่วนฝ่ายกองอื่นก็คงจะแวดล้อมเป็นบริวารก็เป็นฝ่ายสามกองเนี่ยฝ่ายสําคัญของพราหมณ์เขานะฮหนึ่งคารหปัตยักขณีสองอา ห, อาหนิยักขณีสทั ก, กษณิณคกณีอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสฝ่ายสามกองบอกว่าฝ่ายสามกองนี้ต้อง กำจัดว่างั้นนะต้องละต้องดับเสียนี่พระ เ, เจ้าจัดไฟสามสองชุดของพราหมเขามีไฟสามอยู่ชุดหนึ่งใช่ไหมที่ว่านี่พระ เ, เจ้าก็ตรัสว่ามีไฟสามอย่างหนึ่งราคากิสองโทสักิสามโมหคณิโมหคิก็คือไฟราคาโทสามโมหไฟสามอย่างนี้พึงละพึงดับเสียว่างั้น ต่อไปมีไฟอีกสกองที่พึงบริหารบำรุงบูชาให้ดีว่างั้นนะอ้าวพรเจ้าตัดทั้งไฟดับทั้งไฟที่จะต้องบำรุงไฟสากองนี้พระเจ้าใช้ศัพท์ของพราหมเลยแต่ของเรานีเป็นภาษาบาลีพระเจ้าก็บอกหนึ่งอาหุไนยคิสองาะปตกคิสทักคิานายคิเน่ สับเกือบเหมือนกันเลยใช่ไหมเนีเปลี่ยนภาษาซะหน่อยสับได้เกือบตรงกันเลยเรียนศัพท์แต่ความหมายไปคนละเรื่องเลยพ mm. ระเจ้าก็เอาศัพ์ของพราหมณ์มาแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่บอกว่าไฟสามกองนี้พึงบำรุงรักษาดูแลให้ดีของพราหมณ์เขาคารหปัจจยคณีเป็นอันที่หนึ่งใช่ไหมเพราะว่าเป็นไฟที่อยู่ประจํา เป็นตัวตั้งแล้วก็มาจุดไปเป็นอาวนณียกขณีรับเครื่องเส้นแล้วไปเป็นจุดที่กองที่สถานที่บูชาญัณเป็นทักษิณคณีพระเจ้ากันหนึ่งอาคุณายกขีไฟที่ควรรับเครื่องเส้นเอาแล้วนะไฟที่ควรรับของบูชาได้แก่พ่อแม่ว่างนันนะพ่อแม่เราควรจะบำรุงรักษาดูแลให้ดีพ่อแม่เป็นเหมือนไฟ ถ้หาหว่าเราไม่ดูแลให้ดีก็เป็นเหมือนไฟเบา้าเผาลนเราทาให้เดือดร้อ น, นอาจจะหมายถึงว่ามีผลไปเป็นนรกอะไรแต่ไรก็แล้วแต่แต่ว่าหมายถึงว่ามีมีความหมายในทางที่ว่าถ้าไม่บำรุงดูแลให้ดีก็เหมือนไฟเป็นโทษกับตัวเองนี่ก็ควรจะบำรุงดูแลให้ดีก็เป็นคุณกับตนเองเป็นบุญเป็น อานิสงฆ์มากนะนี่หนึ่งละอาหุนยักขได้แก่พ่อแม่สองค่าปตักขีไฟของพ่อบ้านแม่เรือนได้แก่คนในครอบครัวที่เรารับผิดชอบก็พ่อบ้านก็ต้องรับผิดชอบหนึ่งลูกสองพันยาแล้วก็สคนรับใช้คนงานนี่ถือว่าเป็นคหาปตักขีนะ บุตรพันยาและคนรับใช้คนงานจะต้องเอาใจใส่บำรุงรักษาให้เขาอยู่ดีมีความสุขนะฮะนี่เห็นไหมตั้งเริ่มในครอบครัวนี่ตั้งแต่พ่อแม่ไปลูกภันยาคนในครอบครัวต้องดูแลให้ดีนี่สองแล้วนะี่สทักคินยัขินีทักคินยั ข, ยขิแปลว่าไฟที่คุณแก่ทักซินาของแขกเขาเป็นของพราหมณ์ก็เป็นทักซินนคขี บาลีก็เป็นทักคินะขวาแต่ว่าในทีน่นี้เปลี่ยนศัพท์ไปเป็นทักคินาะแล้วก็เป็นทักคินายะทักคินายะแปลว่าผู้คุนกันทักษินาะน่อันนี้ไม่ได้แปลว่าขวาจะและ้วไม่ได้แปลว่าใต้จะและ้วผู้คุรจากทักซินาะแปลว่าทักษินานี้ก็หมายถึงสิ่งที่ได้ถวายหรือมอบให้ เพื่อบูชาคุณความดีด้วยความเชื่อกรรำว่าจะให้ผลในทางที่ดีนะคือว่าทําบุญอุทิศกุศลแก่ผู้ลงรับอย่างที่เราเรียกทักซินานะอันนี้ผู้ที่ควรรับทักซินาคืออะไรคือสมณพราหมณ์พระภิกษสุสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่มีความประมาทโมเมานะก็คือผู้ดำงรงศีดลดํารงธรรมของสังคมนั่นเอง ซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันรับผิดชอบจะให้คนประเภทนี้ดำรงอยู่ในสังคมตระจร์ช่วยกันเพื่อให้ธรรมะอยู่ในสังคมก็ต้องไปบำรุงรักษาคนที่ดำรงธรรมะของสังคมไว้พระเจ้าก็จัดว่าเนี่ยไฟสามกองที่จะต้องบำรุงรักษาก็เปลี่ยนหมดใช่ไหมเนี่ยจากเรื่องบูชาญา์เรื่องไฝเนี่ยก็ แค่นี้ก็เห็นชัดแล้วพระเจ้าก็เปลี่ยนของพรามนั้นแกก็เตรียมตัวก่อไฟเพื่อจะไปสังวยเทพเจ้าใช่ไหมพระเจ้าบอกนียคุณมาดูไฟที่ควรจะต้องกำจัดมีอะไรคุณไฟที่ควรจะบำรุงรักษาดูแลไว้ไม่ให้ดับคือไฟอะไรนะนี่ก็คือคนที่จะต้องเอาใจใส่กันให้ดีไม่ต้องไปบวชไปคิดแต่จะถวายเครื่องเส้นเราจะได้อะไรนะมาดูแลเอาใจใส่ รับผิดชอบคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนี่เห็นดีนะเสร็จแล้วก็ไฟสุดท้ายถ้าเรียกว่าไฟที่เจ็ดก็คือไฟที่ใช้งานแต่ก่อ น, นเรียกว่ากัดทักขีไฟที่เกิดจากไม้พแต่ก่อนนี่ก่อไฟใช้ไม้ไฟที่เจ็ดนี้เอาไว้ใช้ประโยชน์ก็ต้องจุดต้องดับต้องเก็บรักษาให้ดีให้ระวังนะอันนี้ก็เป็นไฟใช้งานทั่วไปแต่ว่าไฟหกอย่างแรก อย่างที่ว่าชุดแรกให้ดับชุดที่สองให้บำรุงให้ดีนี่ก็คือคำสอนที่ใ nice> ห้เห็นถึงการที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรพุทธศาสนามีท่าทีต่อเรื่องราวความเชื่อถ att ือการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมยุคนั้นอย่างไรใช่ไหมกเราก็จะได้เห็นจากคำสอนอย่างเนี้ยที่กระจายอยู่ ในพระไตรปิฎกซึ่งทําให้สังเกตก็จะผ่านไปเฉยเฉยเพราะนั้นผมก็เลยยกมาเป็นตัวอย่างว่านี่แหละพระพุทธเจ้าได้สอนนพราะนั้นถ้าหากว่าปัจจุบันนี้เรามาตั้งใจเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้เนี่ยมันจะช่วยชีวิตและสังคมแก้ไขปัญหากันไปให้มันเสร็จสิ้นไปในสังคมปัจจุบันนี้บอกว่านับถือพุทธศาสนาแต่เราจะเห็นว่ามัน ไม่ได้จับหลักการเหล่านี้เลยใช่มมันมองออกไปข้างหน่อไปหาความช่วยเหลือที่พึ่งอะไรต่างภายนอกกันไปเจงกระทั่งอย่างที่ว่ามนุษย์ก็เลยไม่ได้เอาใจใส่กันไม่ได้แสวงหาความร่วมมือไม่ได้ร่วมกันแก้ปัญหาตัวเองก็ไม่ได้คิดว่า จ, จะต้องทำอะไรจะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็สองก็ในแง่สังคมก็ไม่มาร่วมมือกันแก้ปัญหาหก็ไปแสวงหา ความช่เหลือจากอำนาจเล่นลับดลบันดาลแบบเดียวกับศาสนาพราหมณ์ในสมัยก่อนถึงพระพุทธเจ้าพยายามสอนนักสอนหนานะอันนี้ดีไมด่ดีชาพุทธก็จะไปเป็นแบบเมืองอินเดียนะที่ว่าคิดแต่ว่าจะเส้นสูงอ่อนบ่อนเทพเจ้าให้มาช่วยนะพุทธศาสนานี้ได้ช่วยอินเดียมาก อย่างที่เล่ามาเช้าเนี่ยที่ว่าเจงกระทั่งทําให้พราหมณ์ต้องเดือดร้อนเลยสร้างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยได้เห็นเรื่องที่เขาเล่าไว้ฟ้องตัวเองใช่ไหมว่าการที่เอาพระพุทธเจ้าไปเป็นนารายณ์อวตารเนี่ยเรื่องที่เล่าไว้แสดงพุทธศาสนาได้รุ่งเรืองมากในอินเดียแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างไรใช่ไหม ที่บอกว่าเทวดาทั้งหลายนี่เดือดร้อนไปหาพระศิวะไปหาพระนารายกันนะอันที่บอกว่าไปหาพระศิวะก็ร้องทุกข์บอกว่าเนี่ยเวลานี้พวกมนุษย์ทั้งหลายนี่ไปเชื่อพวกหลอกลวงออกไปเนี่ยเลิกนับถือพระเวทไม่บูชา ย, ยันเทวดาก็ไม่มีเครื่องเส้นว่า <laughs> เทวดาไม่ได้รับของสังมวยแย่ yeah, แล้วเดือดร้อนเป็นตามๆกันคอยพระศิวะช่วย พระศิวะก็เลยต้องอวตาร ล, ลงมาคติศิวะอวตารนี่มีด้วยในฝ่ายของศิวะแต่ว่าเราได้ยินคติพระนารายคือนารายอาวตารมีอยู่ก่อนฝ่ายนารายคือฝ่ายวิษณุพงศ์นักถือพระศิวะไอ้นักถือพระนารายหรือวิษณุก็อยากจะเล่นงานพุทธศาสนาเอาก่อนใช่ไหมก็พัฒนาแนวคิดขึ้นมาเอาพระพุทธเจ้าเป็นนายลายอาวตาร ก็คือว่าพระวิษณุจะช่วยเทวดาทั้งหลายว่าเทวดานี้เดือดร้อนแล้วเพราะพวกอสูรอสูรมีฤทธิ์มากปราบไม่ได้เพราะว่าอสูรนี่ก็รู้พระเวทและก็บูชายันอันนี้นี่ของของฝ่ายนับถือพระวิษณุนารายวานะก็เลยเพื่อจะให้เทวดาปราบอสูรได้ก็ต้องไปทำลายฤทธานุภาพของอสูรทำไงก็เลยพระวิษณุก็ เป็นเจ้าใหญ่ก็เลยต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์มาอาวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปสอนหลอกภวกอสูรให้มันเลิกนับถือพระเวทให้มันเลิกบูชายัญแล้วทีนี้ก็จะได้ให้เทวดาปราบได้หมดฤทธิ์ใช่ไหมเนี่ยเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นอวตารทีเกิดแล้วก็จะมีอวตารปางสุดท้ายมาอีกพุทธเจ้านี้เป็นอวตารปางที่9ตามหลักของพวกพราหมณ์ครับ เป็นพุท ธ, ธาวตาลจะมีอวตารปางที่สิบเรียกเรียกว่ากัลกยาวตานนะก็พระนารายจะมาอุบัติเป็นใน ก, กัลกีแล้วก็ ก, กัลกีนี้ก็จะมาปราบพวกมนุษย์ทั้งหลายที่ไปพึ่งพวกอสูรที่พระพุทธเจ้ามาหลอกไว้แล้วจัดการให้สิ้นเลยฆ่าหมดนะ นี่อาจจะไปเป็นข้ออ้างของพวกพราหมณ์ระยะหลังก็ได้ในการกำจัดพุทธศาสนานะก็ไม่รู้แหละจากเรื่องบอดศาสตร์รก็ต้องค้นต่อไปแต่อันนี้มันมาในคำพีคำพีปุราณะที่ว่าซึ่งเกิดขึ้นหลังพุทธกาลประมาณพันปีเป็นต้นมาคำพีปุราณะมีทั้งหมด18คัมภคำพีเดยดกันเป็นของนิกายนับถือพระ วิษณุแปะหกคำพีของนิกายนับถือพระศิวะหคัมภีนิกายนับถือพระพรหมหคัมภีร์ก็มีเทพเจ้าใหญ่อยสามพวกนับถือก็ไป น, นับถือแยกกันไปทีนี้วิษณุปุรานะนี่เป็นคำภี์แรกที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเป็นอวตารแล้วก็เล่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็มีปุรานะอื่นอย่างภาคัาตะปุรานะก็ว่าไว้ยิ่งชัดขึ้นไปอีก นี่ก็ต่อมาตอนหลังพวกนับถือศีวะก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาบ้างพวกนี้ก็จะตีวิษนุด้วยเพราะว่าไม่ถูกกันพรามด้วยกันจะบอกว่าพระวิษนุนี่ไปหลอกคนไว้ อ, อีกแล้วนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยวิษนุอาวาตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปเที่ยวหลอกคนไว้แล้วไปสอนให้คนเลิกนับถือพระเวทเราไปเลิกบูชายั์ เวลานี้พวกนับถือผิดอย่างนี้ทั่วเต็มแผ่นดินหมดว่าอย่างนั้นในคัมภีร์ในคัมภีร์นี่ชื่ออะไรนะชื่อสิวะทิฆาวิชัยว่ากันนะที่เอามาลงในหนังสือแล้วนะอันนี้ก็เลยเมื่อร้องทุกอย่างนี้พระสิวะก็เลยทายลําไงล่ะเทวดาเป็นลูกน้องนี้ก็ต้องช่วยเทวดาใช่ไหมไม่มีเครื่องเส้นแล้ยพอไปนับถือ ผิดกันหมดทั่วเต็มแผ่นดินหมดแล้วเทวดาไม่ได้รับเครื่องสังเวยอันนี้พระสิวะก็เลยต้องอวตารลงมาเป็นสังฆราชานมากจัดพระพุทธศาสนานเมื่อปศออประมาณพันสารอยเลยแทนั้น น, นี่ก็เรื่องของฝ่ายสยวะใช่มก็จะเล่นงานพุทธศาสนานั่นแหลนะนี่เราก็ต้องทราบภูมิหลังความเป็นมาอย่างนี้ จะ แ, แสดงให้เห็นว่าออเมื่อเขาเขียนอย่างนั้นก็แสดงว่าคนนับถือพุทธศาสนากันทั่วหมดศาสนาพราหมณ์แย่แล้วใช่ั้ยในยุคนั้นอันนี้พอพวกพราหมณ์ม า, ราสร้างทฤษฎีอย่างนี้แล้วต่อมาปรากฏว่าได้ผลใช่ไพุทธศาสนาเสื่อมลงมันก็เป็นเรื่องที่น่าวิจัยว่าเป็นเพราะอะไรอีกในหมู่พุทธเองพระเองนี่อาจจะ เสียหลักนะอย่างหนึ่งก็คือเสียหลักไปกรมเกื้กันศาสนานะฮินดนะูไม่แข็งพอแล้วก็ความเสื่อมในตอนหลังๆที่ว่ามีนี่ก็จากเรื่องที่พราหมณ์เขาเขียนไว้ในคัมภีร์ปุราณะของฝ่ายวิษณุคือนับถือพระนารายกตามที่เขาสร้างเรื่องนารายวัตานเป็นพระพุทธเจ้า แล้วเรื่องของสายวะก็ตามเนี่ยแสดงว่าพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมากอย่างที่ว่า เ, เขาก็หาทางที่จะทำยังไงจะริดหลอนพุทธศาสนาเพื่อจะให้ศาสนาพราหมณ์ซึ่งพัฒนาเป็นฮินดูแล้วเนี่ยได้ฟื้นฟูได้กลับมีกำลังขึ้นมาบ้างเพราะศาสนาพราหมณ์นี่มันหมายถึงผลประโยชน์ของพราหมณ์ชัดๆใช่เพราะว่าที่บอกว่าเทวดาไม่ได้รับเครื่องเส้นน่ ความหมายหนึ่งก็คือว่าพราหมณ์นั้นอดเลยใช่ไหมไม่ได้ประกอบพิธีเลยไม่มีคนเอาอะไรแต่หลายคนจ้างประกอบพิธีบูชายันไปให้ดะงนั้นพราหม์ก็ลําบากสิทีนี้สถานพราหมมันมีหมู่คนที่รับผิด ช, ชอบที่จะรับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นก็เดือดร้อนเพราฉะนั้นเขาเวลาเกิดความเสื่อมเขาก็ต้องเอาใจใส่อจริงอจังเพราะว่ามันหมายถึงการที่เขาจะอยู่ได้หรือไม่ได้ด้วย ก็คือว่าเดิมเนี่ยที่ว่าโดยแง่ของพราหมบเองทําไมคนพราหมณ์เนี่ยพวกวันณัต่ําไม่ฮือขึ้นมาเนี่ยใช่ไมั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์มีเสียงมีความเป็นอยู่อย่างแย่ที่สุดเลยเนี่ยเนี่ยอย่างพระไทยเราไปเห็นแขกชั้นสูตรอยู่บอกว่าเหมือนกับสัตว์เลยมันัตว์ดิลฉานอยู่เขายอมรับสบภาพแล้วเขาไม่กล้าทําอะไรที่เป็นการ ผิดไปจากที่เขาถูกสั่งไว้เพราะเขากลัวบาป <laughs> ใช่ไหม น, นั้นอย่างที่ว่าคนมณฑสูตรไปทำงานในโฮเต็ลไปคอยรอเอาน้ำที่คนเขาอาบแล้วเนี่ยมาอาบตัวเองโดยที่ตัวเองตั้งใจทำคือ ท, ท, ทั้งที่มีน้ำดีก็ไม่ใช้ใช่ไหทำไมจึงเป็นอย่างนี้เพราะความเชื่อนะีอนน่ันั้น เขากลัวเลยเขาไม่กล้าที่จะไปทําอะไรที่ผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีเรื่องที่จะมาคิดเรียกร้องสิทธิ์ไม่มีเพราะถ้าเขาทําอย่างนั้นก็คือเขาทําบาปละเมิดมฟังลึกมากนั้นเลยอยู่เลยอันนี้เมื่อมันอยู่ในระบบวันธรรมอย่างนี้มันจะพัฒนากันได้อย่างไงใช่ไหมเพราะนั้นอย่างพวกผู้นําอินเดียยุคหลังอย่างพวก เนรูหรืออินธิราจะมาแก้ปัญหาแก้ไม่ตกเพาะคนมันเป็นเองที่คนประชาชนมันยึดมั่นอย่างนั้นเก็จะเหมืนเปียบเทียบคืนนี้ก็ไม่ได้ว่าแต่อาจจะเหมือนเนี่ยคนไทยที่เชื่อถึงทุกโชคลาภนะครับนั่นแหละที่ลมากเลยนั่นจะลึกแต่เราก็ต้องทีนี้ถ้าพระเรามีหลัก แล้วเป็นหลักให้ใช่ไหมมันก็ยังมีทางเพราะเราสามารถเอาไอ้ความเชื่อเหล่านั้นมาเป็นสื่อเป็นจุดเริ่มต้นมาโยงเขาใช่ไหมอ้าวๆคุณยังเชื่อสิ่งเหล่านี้ก็เอา้าทำให้พอให้ปิดช่องความหวั่นใจที่เคยพูดไปแล้วแล้วก็แนะนําสั่งสอนอะไรทั้งนแล้วช่วงงยีววองงของคลัมเบีอะไรอย่างเงี้ยครังคล้ของขิงโรปหรือว่าของจีนเะนี้ย ทำไมเขไม่มีเกี่ยวกับเรื่องการนับถือว่าบูชายัญว่าเทวดาพรมอะไรอ้อาว ม, มีมีมานะสมัยก่อนบูชายัญนี่มีมีแต่ว่าทีนี้มันไม่มีความเชื่อฝังลึกเหมือนอินเดียระบบวันณะของอินเดียนี่แห ม, ไ, มได้ผลมากใช่ไหมฝรั่งแพ้เลยฝรั่งนี่มันเรียกร้องสิทธิเ์เลยใช่ไหมเคยมีปัญหามาแล้วทีนี้เขาก็เพราะว่ามันไม่มีไอตัวความยุติธรรอันนี้ ก็ทำให้เขามีการเรียกร้องมีการต่อสู้กันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะแต่ว่าการบูชายันแะอะไรแต่ไรนี่พวกศาสนาโบราณจะมีกันทั้งตะวันตกหรือตะวันออกแต่อินเดียเดีย๋ยวนี้ก็เบาลงเยอะแล้วนะฮะของจีนของจีนของจี น, อจ น, อจนตอนก่อนรับพุทธเขา้า เขาก็พัฒนามาพอสมควรมีมวิชาญคงจะมีเก่ามากนะฮะคงจะยุคโบราณจริงๆนะคนอินเดียนี่ถูกผูกไว้ด้วยความเชื่อก็เลยกลายเป็นตัวเองนั่นแหละไม่ยอมไม่ยอมที่จะสร้างความเจริญไม่ยอมที่จะก้าวออกไป ยังศาสนาที่เดิมทีฮินดูนี่เรียก ว, าาว่าสรรมคือเรื่องวันาภาพแต่ว่าเป็นพุทธเราไปเรียกว่าศาสนาตามคือชื่อเรียกศาสนาเองเนี่ยคงไม่มีหรอกเห็น <c oughs> ไหมฮะเราก็หาคำมาเรียกเหมือนอย่างพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ไปคําที่ตกลงใช้กันทีหลังคําเดิมว่าพุทธศาสนานั้นก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองความหมายเท่านั้นทีนี้น พออยู่ไปอยู่ไปมันก็เกิดเป็นระบบความเชื่อมีกลุ่มชนมีข้อปฏิบัติเฉพาะก็ต้องการหาศัพท์รวมที่จะเรียกทั้งหมดแต่ก่อนนี่ก็เรียกพวกนับถืออะไรก็ว่าอย่างนั้นอย่างเรีกเราเรียกพวกนิครนเราก็เรียกว่านิครนทั้งหลายนีก็พวกนิครนแล้วพวกนิครนเข้ามาเรียกพวกเราเขาอาจจะเรียกว่าพวกสมณะโคดมอะไรนี้ใช่ไหมต่อมาก็เลยต้องหาศัพท์ เรียกขึ้นมาเพื่อจะเป็นตัวแทนระบบนี้ทั้งหมดก็ศาสนาพราหมณ์ล้วก็มาเรียกเอาพราหมณ์เป็นหลักใช่ไหมพราหมณ์เป็นหลักเป็นแกนเป็นผู้นำของศาสนานั้นแต่ก่อนทีนี้บางทีฝรั่งเขาเรียกศาสนาพระเวทอันนี้ตอนหลังมันจึงมีศัพท์ เกิดขึ้นมาไอ้สับนี่มันไม่ได้เกิดมาเขาไม่ได้ตั้งศัพท์ขึ้นมาก่อนนี่ใช่ไหมนี่พระพเจ้าเจ้าเมื่อเริ่มตั้งพุทธศาสนาะ <c oughs> ก็เรียกเฉพาะ <c oughs> สิ่งที่พระองค์ทำํทำทําอะไรก็เรียกชื่อสิ่งนั้นใช่ไหมเมื่อขยายไปแล้วศัพท์นี้มันก็ไม่มีก็ต้องมาคิดเอาแล้วก็เรียกของเดิมพราหมินิซุมนี่ฝรั่งเรียกฝ <c oughs> รั่งก็เรียกฝรั่งเขาก็เรียกอย่างนั้นก็เพราะอะไราศาสนานี้นับถือพราหมณ์มีพราหมณ์เป็นหลัก ข้าาศาสนาของพราหมแคอนี้เราก็เรียกตามเนี้ยเรียกตามที่ว่าพราหมณ์เป็นหลักของศาสนานี้เราก็เรียกว่าศาสนาของพราหมณ์ฮะเพราะพรามเป็นผู้นําทั้งหมดนี่ต่อมาก็มาพัฒนาอีกทีหนึ่งก็ปรับปรุงใหม่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปใช่รับเอาคติพุทธศาสนาเอาธรรมะเราไปใช้ศาสนา พาหมที่ปรับปรุงยุคหลังพุทธกาลเปลี่ยนแปลงไปมากไม่เหมือนกับศาสนาพราหมณ์เดิมก็เลยเรียกชื่อใหม่พรามนี่ที่ก่อนนั้นคือเป็นหลักความเชื่อใช่ไมคไม่ใช่ศาสนาที่ผมถามว่ายุโรปนี่คือก่อนที่จะมีศาสนาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับว่าไม่มีการบูชา ย, ยาหรือนับถืออะไรมากมายเช่นเดียที่กลายเป็น เ ก, ก, ก็ยุโรปมันยุคนั้นมันยังเป็นพวกป่าเถื่อนเนี่ยอ๋อ ก, กรีรกรเขาก็มีนับถือเทพเจ้าไนงะ เ, เทพนิยายเต็มมนเลยมีมี ม, ม, มีโอ้ยพวกนีลทัทธิพวกนี้มีบูชายันศาสนาเก่าก็สังบวยเทพเจ้ากันนะฮะก็เอาศัตรูไปบูชายัน ใช่ไหมอ่นี่แหละแ้วต่อมาก็พวกโรมันก็จับพวกคริสต์นี่แหละเอาไปสู้กับพวกเสือหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็พวกศาสนาของกรีกโรมันก็เป็นพวกเทพเจ้าซีอุสแต่ก็ไม่พัฒนามาเป็นเงินพางอ๋อเพราะว่าเขาเาไม่มีไอ้ตัวระบบวัณนที่เข้ม ที่อยู่เหมือนกับของของพราหมณ์เขามีนะฮะบนวันนะเขามีวันณะเจ้ากับวันณะทาตมีสองวันนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสเรื่องว่าบ่อพกโนนเขาไม่ได้มีวันนะสี่ก็จะมีวันณะสองหรือมีวันณะอะไรทีนี้พวกนั้นมันไม่ได้ยึดติดในความเชื่อแบบของพวกพราหมณใช่ไหมมันมีการที่ว่าเอ๊ยเราถูกกดขี่นี่ ต้องสู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดการต่อสู้กันแย่งอำนาจในทางสังคมอะไรต่าขึ้นมาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะพอเป็นปฏจกิรของชาวตะวันตกก็ูที่พานนี่ยึดมาในเพราะว่าความนี่ทางการรักษาเชื้อชาติก็ไม่รู้มันเป็นยังไงไม่รู้พราบพอ่าของเปอร์เซียกับโคอิ่านแล้วก็ของแพรอินเดียเป็นต่อันี หลบโยกมาจาะทางน้นำทะเสาบแคเตียนนะมาเลยมาแตกนักถือเทพพลองนี่อีล่านั้นก็เลยอยู่ที่นั่นแล้วแขวนี้ก็มุ่งตรงมาทางตาวั น, วนาาออกทางช่องแคบตรงเขาเลเข้ามานเบียนค่ะจะมาขับไล่ว่ามีลักลับตรงมาทางใต้ น, น่นเอจแต่ทีนี้ว่ามาสาร้างความเชื่อดูรักษาเขาให้สะอาดเป็นส อ๋ออันนี้ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเรื่องระบบวันนั้นนี่ก็จะมีการกียรการเรื่องแต่งงานเป็นตน้นใช่ไหมฮวันการแต่งงานนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยทุกวันนะโดยเฉพาะอย่างพราหมณ์นี่จะต้องบริสุทธิ์เจ็ดชั่วคนไม่มีปะปนเลยใช่ไหมท่านั้นก็คนไหนที่บริสุทธิ์มาตลอดเนี่ยนับเท่าที่นับได้เจ็ดชั่วคนนี่ไม่มีปะปนก็คนนั้นก็จะมีเกียรติมาใช่ไหม ทีนี้ถ้าหากว่าไปเกิดแต่งงานข้ามวันนั้นก็กลายเป็นจันทานถูกดูถู ก, ถกแล้วอย่างเจ้าสกยะไนงะใช่ไหมที่ว่าพระเจ้าแป่นดินโกศลมาขอลูกสาวยังไม่ให้เลยนะีนะ่าขนาดนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะนะถือถือชาติถือวันนั่ขนาดนั้นต้องเอาลูกถาดให้ไปแล้วก็เลยเกิดเรื่องกลับมาเป็นการทําลายตัวเอง สถาการยึดถือเนี่ยมันฝังลึกมากแล้วก็อินเดียก็เลยเนี่ยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้รักษาของเก่าไว้แทบไม่มีเปลี่ยนการบาเพ็ญตะบะอะไรแต่และยังมีอยู่ในอินเดียจนกระทั่งปัจจุบั น, นใครอยากดูของเก่าๆเามื่อสมัยพุทธกาลมาดูที่อินเดียได้ท่านจ้คุณบอกว่าเป็นตูโชว์อดีต นั่นแหละเพราะนั้นก็เป็นลักษณะหนึ่งของอินเดียที่จะว่าไปในแง่หนึ่งเหมือนก็มีความสามารถพิเศษที่รักษาของเก่าได้ดีที่สุดใช่อยู่อย่างนั้นเนยเมื่อต้นเดือนเนี่ยที่าเลข า, าที่พวกอินดูไปที่ถ้ำอะไรที่ดือนรับัญาอ๋อจะไปไหว้เทพเจ้า ตายไปเยอะเลยความเชื่อรุนแรงมากกะเนี่เขาก็พยายามเข้าไทยอีกก็เขาจะมาจัดประชุมในเมืองไทยแลสาาย้สังฆราชสาังฆราชในนี้เป็นตําแหน่งสังฆราชาคนปัจจุบันซึ่งสืบต่อมาตามลําดับในนี้กายไซวะสังฆราช จ, จะเดินทางเท้าเปล่าจากประเทศอินเดียมาประชุมที่เมืองไทยสังฆราชนี้เป็นทรร สังฆราชานก็พรามใหญ่ ท, ท, ที่ที่เล่าให้ฟังที่ว่าอาวตารจากาพระสิวะลงมาจะ ก, กำจัดพุทธศาสนาเมื่อพศประมาณผันสามรอยทีนี้ก็สังฆราชานี่ก็สืบต่อเป็นตำแหน่งมานี่ก็สังฆราชาปัจจุบันเนี่ยจะเดินทางด้วยเท้าเปล่าจากอินเดียมาเพื่อมาประชุมเมือไทยตามกำหนดการนั้นเขาใช้คำว่าธรรมยาตรา นี้พอจะเดินทางมาเดินท้าเปล่านี่จะต้องผ่านแดนพมา่าก็ขออนุญาตผ่านแดนพม่าไม่ยอมพม่าคงรู้ทันเพราะพะม่านี่พุทธเอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็มีชาพุทธที่รู้ทันไปคงจะไปสื่อสารให้รัฐบาลพม่ารู้ก็แปลว่าสังกัลาจารเองจะมาไม่ได้ก็จะมีคนอื่นที่มาทางเครื่องบินนั่นก็เขาจะมาจัด การประชุมที่นี่อันนี้ก็มีชาวพุทธที่รู้เรื่องเพราะในอินเดียองค์เขาาลงข่าวและอินเดียนี่มันก็มีคนที่ไม่ใช่ยอมรับพระมาทั้งหมดใช่ไหมมีหนังสือพิมพ์หนึ่งก็ลงบอกว่าการประชุมนี้จะมีเงื่อนงำคิดว่ามากไม่ยอมหรือว่าพ่ ม, มาของไม่มีสาระมัาานผัดแล้ว เข า, า ไ, ไม่ยอ ม, ไออมยอมนั่น ก, ก, ก็เขารู้ทันว่าเป็นฮินดูนะว่าทีนี้ของเราเราไม่รู้เรื่องฮินดูว่าจะมาคือเขาไม่รู้ว่ า, วาไม่รู้ความประสงค์รู้ว่าเป็นฮินดูมาคือเขาบอกมาดีว่าจะมาร่วมประชุมพระพุทธจะได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเปนการสัมพันธ์ระหว่างาศาสนานนนนอ่านั่นแหละก็คนไทยรู้เท่าไหน่ ไม่เคยมีใครเ ร, ร, ราก็ไม่เคยรู้อย่างนาฬิวตาเนี่ยยังนึงกว่าเขานับถือว่าโอเคเขานับถือยกย่องพระพุทธเจ้าเป็นนาราย์ใช่มอันนี้ก็เขาก็โฆษณาว่าการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่สองปีที่แล้วนี่เดียประชุมที่อินเดียแล้วปีก่อนแล้วที่อินเดียนั้นก็มีฝ่ายพุทธมีพระเข้าประชุมด้วยเขาก็เอารูปมาลงว่าเนี่ยมีพระเข้าไปประชุม ก็เห็นร่วมกับเขาได้มีมติร่วมกันในระหว่างพุทธกับฮินดูว่าไปกันได้นในหลักดูจะแปประการเขาเขียนสารทายายเหมือนนะว่าพุทธกับฮินดูเนี่ยเข้ากันได้8ปดประการแล้วก็มีพระฝ่ายพุทธเข้าประชุมด้วยยอมรับมตินี้เป็นมติร่วมกันขบอกงั้นแล้วก็เลยจะมาประชุมนี้เป็นครั้งที่สองนี่เขาก็หวานมาเสร็จใช่หมหวานล้อมมาว่าโอ้นี่ มันมีเรื่องที่เป็นไปได้ดีสามคัคคีกันวันดีนี้ต่อมาพระที่อินเดียนี่ยก็ส่งข่าวแจ้งกันมาบอกว่าหลงกลไม่ได้รู้เรื่องหรอกไปประชุมเขาไม่รู้อิโนโออิเนเอเท่าไรหร่เราไปประชุมไปนั่งแล้วก็ไม่ได้ไปร่วมให้มติให้ความคิดอะไรถูกถ่ายรูปเอามาอ้างเนี่ยอันนี้มติไอ้ที่ว่าพุทธศาสนากับฮิน ด, ดูนี่ เหมือนกันแปดประการเนี่ยก็มีอยู่ข้อหนึ่งว่าว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระนารายณ์อวตารลงมานี่แหละเป็นอยู่ข้อหนึ่งในข้อเหล่านั้นอ่าแค่นี้ชาวพุทธเราก็เลยเริ่มเคลื่อนไหวในที่สุดก็เลยต้องงดงดประชุม อ, อันนี้ผู้ที่จะจัดประชุมนมี่มีทิพลมาก เพราะว่าเป็นเศรษฐีใหญ่ของอินเดียพอตกลงว่าช ง, งักทานนี้ก็จัดไม่ได้ตอนหลังนี่ก็มีเรื่องต่อมาคือว่าตอนนี้มันมีไอ้ข้อสกเกตอันหนึ่งด้วยก็คือพุทธศาสนาเริ่มกลับเข้าอินเดียก็เริ่มฟื้นฟูน ข, นขึ้นมามีคนหันมานับถือมาปฏิบัติมีสำนักกรรมฐานอะไรต่างๆเพิ่มอันนี้พวกฮินดูใหญ่ ๆ, ๆนี่ก็คงจะ กลัวพุทธศาสนาจะฟื้นขึ้นมาอีกก็จะต้องหาทางกัน้นทีนี้อันนี้แผนนี้มันเป็นอนุมัติปชุมเมืองไทยไม่สําเร็จตอนนี้ก็คือโมดีเนี่ยได้ทําเป็นภาพยนตร์สําหล้วออกทีวีเป็นชุดเลยไม่รู้กี่ตอนจบเลยออกเป็นประจําเลยทีนี้ <Okay. S 1> ในประเทศทินเียออกในอินเดียออกเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นพุทธประวัติ แต่พุทธประวัติฉบับนี้ก็คือเป็นนารายวตนันทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่ออกไปแล้วที่โทรทัศน์เป็นตอนๆเ น, น, นี่ยก็อย่างตอนเป็นเด็กตอนเป็นกุ ม, มารบอกว่าพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายนี่ก็จะเสวเพลงกินเหล้าเมายาบางทีไปกินเหล้าแล้วเป็นนอนอยู่ข้างถนนไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าประวัติพระพุทธเจ้าในเดิมประพฤติไม่ดี แล้วก็มาเป็นฮินดูอะไรอย่างเงี้นะนเยเขาจะออกเป็นตอนๆ อ, อย่างเงี้ยแล้วก็ให้คนอินเดียสร้างภาพพระพุทธเจ้าในแนวที่เขาต้องการใช่ไหมก็คือเป็นพระนารายณ์วัตานก็จะแยกก็คือเตรียมกันคนอินเดียไว้ไม่ให้รับพุทธศาสนาไม่มีคนอน้าสังเกตฮินดูเขามีมหาเศรษฐีที่ เร่งเห็นถึงความสําคัญของศาสนาแต่พุทธของเราไม่มีมหาเศรษฐีที่จะเร่งเลยหรือว่าจะมาใส่ใจกันีด้ใช่มันนี่แหละความขาดแคลงของเราจดก็แสดงสังคมพุทธของเราเนี่ยอ่อนมากถึงได้ถูกชักจูงไปได้ง่ายใช่ไหมแต่ของพราหมณ์นี่มันเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้นะเพราะความเป็นวรนละสูงใช่ไหมความเป็นวันละพราหมณ์ความยิ่งใหญ่ฐานะอะไรต่างๆ ในสังคมมันมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องนี่ต่อมาตอนนั้นผมได้รับนิมนต์ไปพูดที่พอร์เรื่องการฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียก็ลเลยไปพูดเรื่องนาลายวัตานเรื่องอะไรต่างๆด้วยนี้ก็พอพูดเสร็จแล้วก็มีคนที่ทำงานเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องสังคมสกเราะอะไรเนี่ยเข้ามาหาบอกโอ้ นี่มาฟังเลยเกิดโยงไปหาสิ่งที่ได้พบได้เห็นคือที่สลัมและในบางโรงเรียนเนี่ยมีการแจกภาพพระพุทธเจ้ า, ป า, าเป็นอาลัยอวตารลในเมืองไทยเนี่ยบอกสวยงามมากเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจแล้วพอได้ฟังวันนั้นเขาก็เลยนึกขึ้นมาว่าอ้อนี่มันท่าจะอย่างนี้เองก็แสดงว่าเขาเดินแผนแล้วขนาดนี้ประชุมครั้งนี้ไม่สาเร็จ แต่เพราะกำลังเงินมหาศาลเขาอาจจะให้คนไทยหรือคนอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมมาดำเนินการโดยใช้ทุนเพื่อจะแทรกซึมเนก็เมื่อสองวันนี้ยังได้ยินที่ว่าเวลานี้ที่วัดอะไรที่ว่ามีผู้ไปขอให้สร้างรูปก็จะมีสร้างรูปที่มากที่สุดคือเจ้าแม่กลกินกับเจ้าแม่อุมาชม่นี่แสดงว่าพระอุมาครเนี่ยเห็นไหม ขนาดพระเรายังไม่มีหลักเลยใช่ไหมพระเราบางวาัดไปสร้างรูปพร ะ, พ, ระพักกินในพิคเนตใช่ไหม <face> ยัาไปว่าถึงคนข้างนอกผู้ใหญ่ในแผ่นดินเลยพระเองยังไม่มีหลักไม่รู้เรื่องก็ไปเ ป, เป็นเครื่องมือให้เขาเลยในหนังสือเล่มหนึ่งผมอยู่ที่ภูเขามีพู้อวกไปให้เป็นเรื่องของเทพเจ้ า, าฮินดูพอเปิดปกไปนี่ข้างในรองมีภาพพระครูองค์หนึ่ง ข้างล่างเขียนพระครูชื่อ น, นั้นพูดชำนาญเรื่องเทพเจ้าพระเราเป็นเองเป็นเครื่องมือให้เขาเลยฉะนั้นมีโอกาสที่เมืองไทยเนี่ย <c oughs> จะไหลลงจะจะกลายเป็นดินแดนที่ดูไปก็ได้นะ <c oughs> จะได้อยู่อย่างอินเดียอนอก็ดั่นสิ <c oughs> ก็ดูสิเนี่ยตามข้างถนนจะเห็นว่าสารใหม่ๆขึ้นใช่ไหม <c oughs> แต่ก่อนนี้ก็ สารพระภูมิอย่างเดียวต่อมาก็มีศารพระพรหมนี่ก็ฮินดูแลใช่ไหมต่อมาสารพระพรหมเดี๋ยนี้ขึ้นสารพระศิวะแล้วสารพระยมสารเจ้าเทพบเจ้าอะไรต่างๆขึ้ น, เ, นเห็นไหมเนี่ยขึ้นกันใหญ่เลยที่ยากนี่คือว่าตำราเรียนศาสนาพุทธเองก็ยังมีเรื่องที่ว่าไม่ใช่หลักธรรมมีเรื่องวินิหารที่ว่าอวอของเองนะเพราะมันเรื่อง ก็อภิน <bin uk> <azo> ิหารก็ต้องก็ต้องให้ให้ให้ได้หลักที่ว่าใช่ไหมต้องให้อยู่ในหลักทีนี้มันจับหลักไม่ได้ไม่รู้อ่าไม่ใช่เลยไปเลยนี่แหละฉะนั้นก็กลายเป็นว่าในมืองไทยขนาดนี้เสียหลักอาจจะเป็นเหมือนอินเดียยุคที่เสื่อมใช่ม พุทธศาสนาในอินเดียตอนจะเสื่อมก็ชาวพุทธก็แยกไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นพุทธอะไรเป็นพราหมณ์อ ะ, ะนัไนก็ถูกเขาดึงไปได้ง่ายนั่นแหละก็ต้องพยายามสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องนตอนนี้พวกคนหลังริการนี่กําลังหอยหาเกี่ยวกับเรื่องอหลักที่ว่าน่าจะทุ่มไปทางนั้นแล้วตอนนี้ก็สนใจมากขึ้น ก็เอาเลยเล่าสิแค่กนเล่าหลายอย่างกมไม่รู้อย่างไปแต่ละเที่ยวละเที่ยวนี่ยนะผมก็ฟังสดับว่าเป็นไงเรื่องความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ทุกครั้งก็จะได้ยินว่าความสนใจเพิ่มขึ้นแต่คราวที่แล้วนี่ก็เพิ่มขึ้นในแง่ของสถาบันการศึกษาเวลานี้พวกมหาวิทยาลัยวิทยาลัยต่างๆก็จัดสอนวิชาพุทธศาสนาเป็นวิชาเรื่องกันทั่วไปหมด นี่นอกจากว่าจัดทั่วไปแล้วก็คือผู้เข้าเรียนสมัครกันมากสมัครมากอย่างที่ผมไปที่อินเดียนาเนี่ยนะก็หมอที่เป็นพ่อของเด็กๆแล้วก็พวกครอบครัวพัญญาอะไรพวกนี้ก็คุยกันก็อย่างครอบครัวหนึ่งก็พูดถึงว่าลูกไปสมัครเรียนก็ไปสมัครวิชาพุทธศาสนา และอีกคนหนึ่งก็ไปสมัครเรียนคนหนึ่งน่าเป็นคนพี่อยู่ชั้นสูงก็ได้เรียนอยู่แล้วอีกคนหนึ่งยังไม่ได้เพราะว่าคนสมัครมากเกินไปเ oh. นี่ยแล้วเขาก็เลยต้องคัดว่าให้เด็กที่อยู่ชั้นสูงเนี่ยได้เรียนก่อนพอเขาก็ต้องเอาซีเนียก่อนแล้วมาจูเนียแล้วก็มาซโฟมอลแล้วก็มาเฟรชชีใช่ม <Yeah. S 1> อันนั้นเขาก็ให้พวกเรียนชั้นสูงได้เรียนก่อนเพราะว่าคอร์สนี่มีผู้สมัครมากเกิดไปเต็ม แล้วผู้สอนนี่เป็นภาไทยหรือว่าเฉพาะเด็กที่เจอนี่เป็นแม่มเป็นฝรั่งนนก็เพราะพุทธศา ส, น, น, สนาเข้าไปช่วงนี้หลายปีแล้วนะฮะมีสำนักของเซนสานักของทิเทบตเข้าไปเยอะหลายปีแล้วทีนี้ฝรั่งก็มีโอกาสไปเรียนยไปเรียนตามสำนักเหล่านี้ แล้วก็ค้นคว้าเองบ้างเพราะนั้นก็เลยตอนนี้มีอาจารย์ฝรั่งเองสอนพุทธเยอะนะเพื่อไปถูกต้องโดยคัดเลือกก็มีแล้วพวกไปที่ไปหาราบหาผลก็เยอะไปโดยที่ว่าอิทธิพลหรือว่าไปหาราบแล้วก็นะฮะไม่จกับพันธุ์จหมายถึนคณวินัยนะอ๋อฮะเนี่ยอ๋อฮะเป็นนั่นสิฮะก็เนี่ยเพราะว่าชาพุทธเรานับถือกัน ไม่ได้ถูกหลักถูกแนวมันก็เลยเกิดปัญหานี่พระที่ไปทํางานในประเทศอเมริกาที่ท่านทำดีก็ก็หนักใจเหมือนกันเพราะว่ามีพระที่ไปหาลาภหาผลต้งคมตัวเองให้ดีเพราะว่าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมอย่างนั้นมันก็เหมือนกับเอื้อโอกาสให้เขว้ได้ง่ายแต่ว่าชุมชนไทยเราบางแห่งมันก็ใหญ่ พระนี้ปกติเราจะอาศัยชาวบ้านคุมนะใช่ไหมเขาคุมด้วยความเคารพศรัทธาเมื่อชาวบ้านเรารู้เข้าใจก็จะเป็นการที่คุมพระไปด้วยในตัวก็ <Cola> ในในอเมริกาก็เป็นนะว่าเรื่องพุทธศาสนาก็เจริญขึ้นมีการเรียนรู้ศึกษาแต่มันเป็นนิมิต ด, ดีในแง่ที่ว่าเขาสนใจในแง่ศึกษาใช่ไหม ถ้าเขาจับจุดนี้มันก็เข้าเรื่องสิใชเ่เขาเขาตั้งใจเล่าเรียนหาความรู้ว่าพระพุทธศาสนาคือรายสอนว่ายังไงหลักปฏิบัติเป็นยังไงนะศึกษามันก็ต่อกับการปฏิบัติหมายถึงเล่าเรียนแล้วก็ปฏิบัติทนี้ฝ่ายเมืองไทยนี่ไม่รู้เลยศึกษาปฏิบัติไม่เอาเรื่องนะครับถือพุทธศาสนาแล้วนับถือพุทธศาส น, ะนานะก็ไปหา อ่าไปอ่อนวอนไปหาผลประโยชน์ไปหาหลับยศให้กับตนเองฝรั่งนี่ขเขาเห็นพุทนี้เขาเขาใช้การศึกษาแต่คนไทยเห็นพุทธนี่เอนใช้ความเชื่ออก็เป็นเพียงเชื่อในเรื่องนั้นแหละเรื่องคล้ายๆเชื่อแบบพรามณ์ไปดังนั้นก็กลายเป็นว่าในแง่หนึ่งฝรั่งได้เปรียบกว่าเป็นอันว่า สภาพของไทยเราขนาดนี้ก็เอื้อต่อการที่ฮินดูจะแทรกซึมแหละใช่ไหมนตอนนี้ถ้านโยบายเขาต้องการเข้ามาก็โอกาสก็เปิดให้แล้วยิ่งเขามีทุนดีแล้วเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่จะมีอิทธิพลในเชิงธุรกิจถ้าเกิดนักธุรกิจของเรานี่ไม่มีฐานทางพุทธศาสนาเลยเห็นแต่กับผลประโยชน์นะไอพวกนั้นก็ตั้งเงื่อนไขหรือแม้แต่ว่าไม่ตั้งเงื่อนไขเราเป็นแต่เพียงว่า ทำให้เกรงใจว่าต้องต้องเอื้อต่อเขาในเรื่องศาสนาของเขาใช่ไหมเราก็เปิดทางให้เลยไม่รู้เท่าทาันไม่รู้เท่าแล้วก็เห็นแก่ผลประโยชน์นี่อันตรายก็จะมีเยอะเลยนั้นของเรานี่พลังในทางป้องกันภูมิต้านทานนี่แทบไม่มีเลยขนาดนี้กลับเปิดช่องเลยเพราะอย่างทที่ คือของเราเองเนี่ยอเป็นลักษณะว่าคือความศรัทธาในผู้เจ้ศาสนาเองก็มีน้อยแต่ขนาดเดียวกันของเขาเนี่ยมีความศรัทธาสูงมากเขาแรงมากใช่เราก็เลยอก็อยากมาก็ก็มาอ่าคือไม่ไม่ไม่ไปได้มีศรัทธาในเบื้องต้นก่อนแล้วพอพคือก็ก็เลยคือปัญหาต่อมาก็เลยอยากจะมาทำอะไรก็มาอ่าก็ก็อย่างนี้ก็ด้วยแหละคือความเอาใจใส่ การที่จะคิดว่ามันเป็นอันตรายต่อศาสอนาของเราหรือเปล่าไม่คิดนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่า เ, ออเขามาก็ร่วมมือกับเขาสแสดงว่าเปิดใจกว้างอะไรงี้โดยไม่รู้ฐานว่าเขามาได้ความคิดอะไรแรงจูงใจอะไรก็หลายอย่างแหละครับมันรั้วแต่เปิดทางนั้นแหละเปิดช่องเไทยรอดคนมาได้ตอนสมัยพนท์ลายผมนี่อ๋ อ, อชายเกือบประทิงเลย ตอนนาคริตเจ้าาสศาสตรกับพระเจ้าราชากำจัดวิชาเยนใช่เจ้าาวิชาเยนมุสลิมไม่เอานะมุสลิมบ้านัว้ยยกไปก็มีกาจัดาลังเสรจแมิก็จะยืยอด้วยนีก็กันอย่างน้กอยังกองอยู่ได้ั้นก็กลไปลป่านี้ผมเลมุสลิมเลย นี่แหละอ้นี้ตอนเนี้ชักจะป้อแปะแล้วนะทางจีนก็ได้ว่าส่งเสริมพุทธศาสนาขึ้นมครัก็ตอนนี้เปิดให้งเปิดให้แต่ว่าเท่าที่ทราบก็มันขาดตอนไปนานคนรุ่นใหม่นี้ไม่รู้จักพุทธศาสนาเพอาช่วงมันตั้งแต่โมเสิตุงขึ้นนี่มันต้องหลายปีเลยใช่ไมเพราะนั้นมันไม่ได้รู้จักเลย นี่ก็กลายไปว่าต้องเริ่มต้นกันใหม่ทีนี้พอเปิดเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าพอเข้าไปอย่างเมืองไทยไปเนี่ยเอาอะไรไปเอาพุทธศาสนาแท้ไปหรือเอาอะไรไปใช่ไหมดีไม่ดีไม่รู้เอาอะไรไปไปช่วยก็ไปแต่ฮินดูช่วยอันนี้ก็ตกลงว่าของเรานี่ไม่มีตัวหลัก ที่ว่าจะทําให้มันยึดยึดเอดตรึงใอ้ตัวเองไว้ให้ให้อยู่ได้ป้องกันอันตรายได้และเดินหน้าได้ถูกต้องใช่ไหมหลักมันต้องทําหน้าที่สามอย่างตรึงไว้กันอันตรายและทําให้เดินได้ถูกต้องขาดอันนี้มันเสียหมดเลยค จ, จาคพ่อจะมีเสร็จเมื่อไงครับที่ว่าสาสุจะเข้าไปแทนที่ คิศาสนาในยุโรปอเมริกาก็ยังพูดยากอยู่เพราะศาสน า, าเหล่านี้เป็นศาสนาราุนแรงทั้งนั้นระบบการจัดตั้งเขาก็าดีมากจัดตั้งดีแต่ว่าเขาก็อ่อนเต็มทีเ<อ>มื่อคนเรามีความฉลาดข<อ>ึ้นมีรู้จักเกตรู้จักเผื่อขึ้นนี้ก็หน้าที่ก็ในส่วนหนึ่งแต่ว่าคนเรานะในจํานวนมากมันก็ยังมีไอ้เรื่องจิตใจประเภทนี้อยู่ ก็เราจะเห็นว่าความรุนแรงก็ยังมีทั่วไปใช่ไหมรบกันเพราะเรื่องศาสนาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังทั่วไปจะฆ่ากันเอาง่ายๆเลยนี่อย่างในฝรั่งมันไม่ใช่ง่ายๆนะฮะมันยึดมั่นมากเหมือนกันบางทินและอย่างกรณีที่พระเราถูกฆ่าเราก็ยังเป็นปม อ, อยู่เหมือนกันว่ามันมีส่วนเรื่องของการชิงชังเชื้อชาติชิงชังศาสนาหรือเปล่าใช่ไหม ดนั้นก็และคริสก็มีประวัติความยึดมั่นสู้กับอิสลามมาใช่ไหมฆ่ากันมารุนแรงนี่ก็เขามีการฟื้นฟูพวกครูลักแคลนครูคลักแคลนคือได้ยินไงครูครักแคลนที่ไว้ฆ่าคนดำอ่าเหยียดผิวทีนี้ครูคลักแคลนนี่ก็ยังไม่ล้มหายตาจากไม่หมดไปคือยังมีอยู่มีเชื่ออยู่ นี่ก็มันอาจจะขยายขอบเขตว่านอกจากกาจัดคนดําและกําจัดอาเซียนอย่างเงี้ยฮะคือศาสนาพุทธนี่คือศานาเองหลักความจริงนน่าจะได้รับการยอมรับมากกว่าศ า, าสนาศาสนาอื่นที่ว่าชื่อถือในอความคือนอกเหนือนจากธรรมชาตินะเป็นสิ่งนี้พิสูน์ได้แต่คนมันไม่ได้อยู่แค่การที่จะใช้ปัญญาเรียนรู้ความจริงนะมันอยู่ในความยึดมั่นเยอะนะ แล้วอีกอย่างก็คนไม่ได้มีการศึกษาเสมอกันหมดอย่างสนที่แท้ก็เหลืออยู่น้อยเป็นพวกบายานเป็นพวกอะไรที่จริงๆคหลักความจริงนะกลเป็นแคิดู้งแค่่าแต่ก็มันก็มีแนวอยู่แล้วก็ต้องดูต่อไปอย่างในอเมริกาเพราะขนาดนี้มันแนวโน้มมันขึ้นมันขึ้นอยู่แล้วดังนั้นก็ ความเป็นไปได้ก็มีอยู่อย่างในอย่างที่ว่าในมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษ า, าก็เรียนกันว่าและกลายเป็นวิชาที่นิยมในขณะนี้กลายเป็นว่า mm. เด็กเมืองไทยอยากจะแขวนห้อยไม้กางเขนแต่เด็กอเมริกันอยากจะเรียนวิชาพุทธศาสนา s. Mm. <S <laughs> มันก็ชอบกล น, นะนี <c oughs> เอามื่อไงวันนี้ก็คุยกันในเรื่องพักใหญ่